พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่ายาทําลายความมุ่งมั่นของตนเองวันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรนาน พูดเมื่อเช้ากัมีศรัทธาญาติโยมกับอย่างที่พวกเราเห็นแต่ก็ตอนเที่ยงก็มีการฟังพระปฏิโมกได้ก็ได้พูดอบรมพระแต่ก็ตอนเย็นก็พผู้มาเกี่ยวข้องหลายกลุ่มหลายคณะวันนี้พบเป็นวันพระเพ น, นั้นหลวงพ่อคงจะให้ MP3 สเทศแสดงธรรมแทนหลวงพ่อวันนี้ วันนี้เป็นวันที่16กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระใหญ่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายทราบและก็เป็นวันสําคัญทางอีสานเหนือของพวกเราเป็นวันทำบุญข้าวฉลากฉลา ก, กภพัดเป็นทำการทำบุญประจำปีเหมือนกับ วันศาสตร์จีนลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์เมื่อเช้าพวกเราก็ได้ทากันพี่น้องประชาชนก็ามากไมยพอสมควรขนาดพิชัยวันเสาร์อาทิตย์นะดึงก็ะยังได้ขนาดนี้ถ้าว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คงจะมากกว่านี้เพราะว่าเป็นวันหยุดราชการ พ่อค้าทั้งส่วนรัฐการก็คงจะมาร่วมกันแต่นี่เป็นวันธรรมดาแต่ขนาดมื่อเช้านี่ยก็พี่น้องประชาชนก็ล้นหลามถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณสำหรับพวกเราทุกท่านอันนี้เราก็ได้ทำผ่านมาแล้วปีนี้ยังเหลือปีหน้าถ้าหว่าพวกเรายัง มีชีวิตอยู่ต่อไปนี้ก็คงจะเป็นวันออกพรรษาทีนีวันเทศกาลออกออกพรรษาพวกเราก็จะได้มารวมกันอีกรอบหนึ่งจากนี้ไปหนึ่งเดือนจากวันนี้ไปหนึ่งเดือนก็ออกพรรษาแล้วแต่จากนี้ไปสิบห้าวันฝ่ายพระสงฆ์ก็จะได้ลงอุโบสถอีกครั้งหนึง่ง แต่ออกวันออกพรรษานะเป็นวันปรวรณานะเป็นวัน ป, รปรวรณาออกพรรษาของพระสงฆ์คล้ายๆกับเมื่อเราอยู่ด้วยกันนานการอยู่ด้วยกันบางทีอาจจะคิดทโพูดอาจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจ หรือว่าหลายคนไม่สบายใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีการปรวารณาแต่เพราะไมสบายใจไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้ากล่าวตักเตือนแสดงนี้นก็มันก็อึดอัดในจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติเป็นวิัยขึ้นมา วันออกพรรษาจำพรรษาสามเดือนแล้วเนี่ยันสุดท้ายของวันออกพรรษานะท่านให้ปวาปรณาปวารณาคล้ายๆกับว่าพวกท่านทั้งหลายอย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ด้วยกันพาทัท้งสี่สิบหองเนี่ยนะหลวงพ่อก็บอกแล้วนะปะวารณาในสงฆ์ทั้ ง, ทงหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายเห็นการกระทำของหลวงพ่อเนี่ย ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีคือใจหลวงพ่ออาจจะคิดผิดการกระทําหลวงพ่อก็แสดงออกมาดูแล้วไม่เหมาะสมการพูดของหลวงพ่อก็ไม่เหมาะสมที่พวกเราเห็นแล้วผมขอประวรณนาในสงฆ์ให้สงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนผมได้นะแต่ผมพูดไม่ถูกคิดไม่ถูกทําไม่ถูกพูดไม่ถูก ประวัลาให้สงฆ์ทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนได้โดยธรรมและก็ะองค์ที่สองก็พูดออกไปอีกนี่แหละอันนี้คือการประวัลนาในออกเมื่อออกพรรษาอันนี้พวกเราก็ให้เตรียมเตรียมตัวไว้นะคำประวัลนาออกพรรษาพวกพระใหม่ทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าอยู่ ด้วยกันแล้วตัวเองจะถูกตลอดไม่ใช่บางทีก็มีการผิดพลาดได้เพราะนั่นท่านจึงให้ภาวณาต่อกันการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปล่ะมันยังกัดมันทะเลาะกันได้ง่ายเหมือนกูอยู่ในปากของเรานะิ้นกับฟันใครเกิดก่อนถ้าจะไปแล้วก็ลิ้นเกิดก่อนฟันใช่ไหม ลิ้นมันเกิดก่อนฟันยังค่อยเกิดมาทีหลังเราเห็นเด็กแต่ผลในสุดตัวเด็กตัวฟันมันกัดลิ้นเ่ยแต่ลิ้นไม่ได้ทำอะไรให้กับฟันหรอกแต่ลิ้นฟันมันกัดลิ้นบางทีเลือดสาดเหมือนกันนี่แหละขนาดลิ้นกับฟันเกิดมาด้วยกันแท้ๆมันยังกัดกันได้ อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงมนุษย์พี่น้องเกิดมาด้วยในท้องเดียวกันแล้วก็คนเกิดมาโลกร่วมโลกที่มาอยู่ด้วยกันจะไม่ให้มีการทะเลาะวิวาสกินแหนงแข่งใจกันนิดๆหน่อยคงไม่มีแต่ถึงยังไงถ้าพวกเรามีคุณธรรมอยู่ในจิตใจพวกเราก็พร้อมที่จะให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันได้ เพราะมันผิดพลาดได้อย่างลิ้นกับฟันอย่างนั้นแหละถ้าว่าเราโมโหขึ้นมาเราจะไปเลาะฟันออกหมดซะก็ยิ่งเสียหายใหญ่เหมือนกันถึงอย่างไงก็ต้องระมัดระวังมันกัดโดยวิธีอย่างไรต่อไปลิ้นก็ต้องระวังเพื่อไม่ให้มันกันฟันกัดนี่แหละอันนี้คือการอยู่ด้วยกันในมวลมนุษย์ชาติ มันต้องอยูอยด้วยกันด้วยความระเวียงระวังของใครของเราถ้าไม่ระเวียงระวังก็ทําให้เกิดปัญหาได้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นการอยู่ด้วยกันความพร้อมเพียงสามัคคีในคณะสัตยาญาติโยมหมู่พกเพื่อนพระเนนพระสงอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ําเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ในคณะ แต่พร้อมกันก็หลวงพ่อเองขยากจะเน้นหนักศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาอยู่ด้วยกันในขณะนี้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคำว่าประมาทคำนี้หละคล้ายๆกว่าช่านอนใจไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเราเสยเมยไม่ได้ใส่ใจผลในสุดพอมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาในอนาคตเราก็เดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เตรียมการเตรียมใจเอาไว้เพราะนั้นใน ห, หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังให้บอกกล่าวเตือนไว้อยู่ตลอดดูก่อนอาอนนท่านระลึลกถึงความตายวันละกี่ครั้ง วันละประมาณร้อยครั้งพระเจ้าข่าอานนท์อย่างประมาทและเลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งอย่างประมาทควรและเลึกถึงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนะพระพุทธเจ้าท่านเตือนพระสาวกท่านท่านเตือนขนาดนั้นนะขนาศ ร, รัทธาญาติโยมลูกหลานแต่พวกเราเนี่ยเดือนหนึ่งเราเลึกถึงความตายบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าตัวเองจะตายเพราะนั้นพวกเราจึงตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมาก เพราะนั้นเมื่อเราลึกถึงความตายแล้วมันห่อเหี่ยวจิตใจไม่สบายก็เลยไม่อยากจะคิดอันนั้นแปลว่าคิดผิดมันต้องคิดว่าชีวิตต้องถึงจุดจบแน่แต่ว่าข้าพเจ้าก่อนที่จะถึงจุดนั้นข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีจะคิดดีทําดีพูดดีสิ่งไหนที่มันดีรู้ไหมดีเราได้ศึกษาไหมดีดีนั่นคืออะไรพูดดีนั่นคืออะไร ทำดีนั่นคืออะไรคิดดีนั่นคืออะไรถ้าหากว่าพวกเราได้ศึกษาได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนหรือได้ศึกษาในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเราจะรู้ได้ว่าดีนั่นคืออะไรแต่เว้นเีจต่เราไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมันขาดจิตโมโหโกธารักโลภโกรธหลงไปอันนั้นมันก็สุดวิสัยเหมือนกันนะพอเราไม่รู้จักดี ไม่รู้จะทํำยังไงพไพเพราะหะไรพ่อเราไม่ได้ศึกษาเพราะนั้นจุดจุดนี้ก็ให้พวกเราศึกษามา ก, กันนะคณะตถาญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีอันดับแรกก็คือนะแต่หลวงพ่อเองเป็นพระกรรมฐานไปอยู่ในป่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นจิตจวัดคอวัดหรือว่าแนวจุดยืนหรือจุด ที่พวกเรามุ่งหวังมุ่งมั่นหรือมีความตั้งใจในจุดนั้นคืออะไรเนี่ยคือทุกทุกคนมันต้องมีความมุ่งมุ่งหวังมุ่งมั่นนะบางทีเขาเรียนหนังสือพอเรียนถึงจบมหกแล้วเขาตั้งมั่นเราจะเรียนอะไรเนีบางคนก็อยากจะเรียนแพทย์บางคนก็เรียนพยาบาลบางคนก็อยากจะเรียนวิศวะอย่างนี้นะ ต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหมายมุ่งมั่นแต่พระกรรมฐานอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านมีความมุ่งหมายมุ่งมั่นอย่างไรถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วพระพุทธเจ้าให้พวกเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นให้ทำสมาธิแต่เรื่องศีลสำหรับพระให้มีเป็นผู้มีศีลศีรษะจารวัดมีสัมมาคารวะ ให้เป็นผู้มีศีลให้มีฮิลิอตตปปะปากจากนั้นก็เป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็มีสมาธิฝึกหัดเรื่องสมาธิเมื่อฝึกหัดสมาธิแล้วก็ฝึกหัดปัญญาเดินวิปัจนาปัญญาอันนี้คือจดดุดเดืนของพระกรรมฐานพระอยู่ในป่าไม่ได้มุ่งหวังลาบยศเสริญเหมือนกับ พวกเราทั้งอยู่ทโลกโลกทั่ ว, วไปจุดมุ่งหมายของพระกรรมฐานที่อยู่ในป่ า, าทานมือเดียวอยู่องค์เดียวอยู่กุฏิหลังเดียวแล้วก็พูดน้อยเดินอย่างตรมนั่งภาวนาอยู่ในความสงบอันนี้คือชีวิตของพระกรรมฐานาแต่จุดในใจของพระกรรมฐานนั้นคืออะไรแต่ทิ้งยังไงทำไมาเรามาถึงจุดนี้แล้วถึงใครจะอยู่ ไปทางจุดอื่นก็มีในครั้งพุทธกาลพอเขามาบวชแล้วก็จิตใจเอ็งเอียงไปทางอื่นผลที่สุดนั่นแหะออกราสีขาบางทำความชั่วบางบีมากมายเหมือนกันเพราะเหตุรอันนั้นแปลว่าเสียหลักเสียหลักคือความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วสู้กิเลสภายในใจไม่ได้กิเลสราคาระโกรธสั่งโมหะเข้ามา ทำร้ายทำลายจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของตอนเองทำให้เสียศูนย์เสียหลักไปได้ก็มีมากต่อมากเหมือนกันแต่ว่าตามไม่จริงการเจดเมื่อเจตนาดีทีแรกเราเข้ามาบวชเพื่ออะไรอย่างน้อยก็คือเพื่ออยากจะได้บุญสั่งสมบุญกุศลอย่างพวกพระนวกะที่เข้ามาบวชพ่อแม่ให้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็จะได้บาเพ็ญศีลสมาธิ ปัญญาเพื่อจะได้เป็นเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อของแม่พราพ่ อ, พอแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ควรจะทดแทนบุญคุณของท่านทางจิตวิญญาณอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ถึงมุ่งหมายจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นตามหลักธรรมคำสอนของพุะธะแต่เว้นเสียแต่ว่าผู้บวชเข้ามาแล้วพอมาศึกษาธรรมะแล้วกลับไปเลย สนใจไปเลยก็มีมากต่อมากอย่างองค์หลวงตามหาบวนแต่ไหมเมื่อท่านบวชใหม่ท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะอยู่นานบวชสามเดือนก็จะตลอดสามเดือนแล้วไหมก็ยังไม่ทราบไม่ให้แม่บังคับอีกต่างหากแต่พอท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ตั้งใจภาวนาภาวนาเข้าไปกิจเข้าสู่ความสงบจากนั้นก็เรียนหนังสือเรียนพุทธประวัติ ศึกษาเรื่องสาวกประวัติผลในสุดความดื่มดัซึมซับทางด้านจิตใจเพราะท่านมีอุปนิสัยมีบุญวาทนาบรารมีเก่าแก่อยู่แล้วเพียงแต่เมฆหมอกมาปิดปิดบังฮะเมฆหมอกมาปิดบังใจของท่านแต่ทีนี้พอท่านเอาจริงจางเมฆเมฆหมอกนันก็ขยายออกไปท่านก็มองเห็นสัจธรรม ขึ้นมาในจิตใจของท่านท่านก็บําเพ็ญภาวนาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้เป็นพระที่ว่าเป็นผู้มุ่งมัม่นตั้งใจจนจได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ที่แรกท่านก็ไม่คิดว่าท่านจะบวชนานอีกตา่างหากแต่เพราะท่านบวชเข้ามาแล้วก่อนนั้ท่านก็สนใจภาวนาบําเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของท่าน อันนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะฮะเขามาบวชแล้วก็ให้ตั้งใจภาวนาสังสมบุญคุศนเอาไว้ถ้าไม่ไม่เหมือนกับท่านก็ได้ขณะได้ขนาดหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งก็ดีนะแต่อย่าไปทําความชั่วขณะที่ตัวเองตัวเองเป็นสมณะเพศหรือเป็นนักบวชอยู่เนี่ สิ่งไหนที่มันชั่วอย่าทําถ้ามันทําเข้าไปแล้วมันเป็นแผลอยู่ในจิตในใจของพวกเราชาทิชายาโฉงก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าทําลงไปแล้วมันเป็นแผลในใจถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่มันเป็นแผลในใจเพราะนั้นสิ่งที่มันชั่วอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดจะเลยดีกว่าเาพราะความชั่วนมันเป็นแผลเป็นแผลเป็นหรือเป็นแผลอยู่ในจิตใจของเรา เราะนั่นให้พวกเราประกอบคุณงามความดีอย่างมาวันนี้แหละเป็นวันพระพวกเราก็มาสมาทานศีลจากนั้นเรามานั่งภาวนาจะได้มากได้น้อยก็เนี่นั่งภาวนาเพื่อนําบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราหาอาหารให้ใจของเราแต่อาหารภายนอกเราก็หาให้วิ่งเต้นขนขวายทํามหาเลี้ยงชีพมากมาย อันนั้นคืออาหารกายส่วนอาหารใจเนี่ยพวกเรามานั่งอยุ่ขณะนี้เดี๋ยวนี้แหละเรามาให้อาหารทางด้านจิตใจอาหารกายกับอาหารใจคนละแนวพ น, นะลูกหลานนะคณะสัตย า, าญาติโยมนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะมามาอยู่มาปวดแล้วก็มามศึกษาปฏิบัติธรรมมารักษ า, าศีลคณะสัตยาญาติโยมมาบำเพ็ญในวัดวาศาสนาเนี่ยมาเพื่อ บำเพ็ญเอาอาหารเข้าสู่จิตใจคือหลักธรรมะธรรมะคือหลักเหตุผลธรรมะทำคาสอนของพุทธะออามาชาระให้จิตใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้แล้วนะต่อเ น, นี่อไปให้ลพวกเราฟังอีกนะ ฟังที่เดี่ยวคุบาจะเอา MP3 สเปิดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกรอบหนึ่งอันนี้หลวงพ่อเป็นการกล่าวนำํำเกินให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าชีวิตของพวกเราเป็นยังไงจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปอาหารกายเป็นยังไงอาหารใจเป็นยังไงพวกเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้ว ควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้แล้วจากนั้นก็คงลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วนะความสุขความเจริญจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเอาเปิดได้นะนนี้เอานั่งสมาธินะตอนนี้นะพวกเราทุกท่านนะ